สิบสามพระสิงคาลมาตาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางศรัท ธ, ธาทิมุติอดีตชาติสมัยพระเจ้าปทุมุตระนางเกิดในตระกูลอมาตผู้มั่งคัง่งในกรุงหังสวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมกับบิดาฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชต่อมาได้ฟังธรรมจากภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายศรัท ธ, ธาทิมุติ ท่านจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นแล้วบำเพ็ญไตรสิกขาอย่างยิ่งยวดดังนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตระทรงแสดงธรรมแก่นางว่าบุคคลผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีในพระธถาคตมีศีลอันงามที่เป็นอริยะเจ้ารักใคร่และสารเสินมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นตรงนักปรารียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อมาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงหมั่นประกอบศรัทธาศีลปสาทะและความเห็นที่ชอบธรรมแล้วทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านจากสำเร็จในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะ ชาตสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงรัชครืมีชื่อว่าสิงคาลมาตาบาลีเอกนิบาตเรียกสิกาลมาตามีบุตรชายชื่อสิงคาลมานบซึ่งเป็นผู้มีความเห็นผิดเรื่องบูชาทิศเที่ยวนอบน้อมทิศจนพบพระพุทธเจ้าสเสด็จบินทบาททรงให้อวาสแก่เขาที่หนทางพระเถรีเล่าย้อนหลัง ให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเมื่อพระองค์แสดงธรรมบุตรของหม่อมชั้นส่งเสียงร้องหน้าประหลาดใจมีบุรุษและสตรีสองโกธได้บรรลุธรรมครั้งนั้นนางได้เข้าไปยังที่ประชุมฟังภาษิทธิของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาปติผลจึงออกบวชเป็นภิกษุณีเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกทุกวันท่านเจริญพุทธานุสติอยู่ไม่นาน ก็บรรลุอรหัตผลและคุณวิเศษทั้งหลายท่านเป็นผู้ไม่เบื่อที่จะเห็นพระพุทธเจ้าต่อมาจึงทรงยกย่องเถรีนี้ว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางศรัทธาที่มดุดคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาคือมีศรัทธาเป็นตัวนำน้อมใจไปด้วยศรัทธาอธถกะถาว่านางแต่งงานกับชายที่มีสกุลเสมอกัน มีบุตรคนหนึ่งชื่อสิงคาลกุมารทำให้นางได้ชื่อว่าสิงคาลมาตานางมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากไปวิหารเพื่อฟังธรรมเนืองๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่สบายแก่นางนางบวชเป็นภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เพราะความมีศรัทธานั่นแหละ สิงคาลมานบอธกถาทีขนิกายเล่าว่าสิงคาลมานบเป็นบุตรของครืหบุดีผู้ร่ำรวยในกรุงรัชครืมีทรัพย์มากถึงสี่สิบโกดบิดามานดาของเขาเป็นพระอริยสาวกชั้นโสดาบันแต่สิงคาละกะกลับไม่นับถือไม่ศรัทธาในพระรัตนตรยัยแม้มานดาจะพูดขอให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไปนั่งใกล้พระสารีบุตร และพระเถระอื่นๆจะได้ฟังธรรมบ้างเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ไปด้วยเหตุผลว่าเมื่อไปแล้วก็ต้องไหวเมื่อก้มลงไหวหลังก็จะเจ็บหากต้องนั่งบนพื้นเข่าก็จะด้านผ้าก็จะเปื้อนจะเกาเมื่อมีการพูดคุยกันก็ต้องคุ้นเคยแล้วก็ต้องนิมนต์ต้องถวายข้าวของทรัพย์ทั้งหลายก็จะเสื่อมไป แม้มารดาบิดาสอนสั่งจนตลอดชีวิตก็ไม่สำเร็จก่อนตายบิดาจึงออกอุบายสั่งเสียให้เขานอบน้อมทิศทั้งหลายเพราะสิงคหล ก, กะจะไม่รู้ความหมายก็เที่ยวนอบน้อมทิศไปเรื่อยเรื่อยหากพระศาสดาหรือพระสาวกเห็นแล้วจะสอบถามและแสดงวิธีนอบน้อมทิศที่ถูกต้องเขาจะเกิดศรัทธาแล้วกระทำบุญ คลั้นกระทำศรีระศพปีดาแล้วเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชคฤื้มีผ้าและผมเปียกเพราะเหนื่อยจากการประคองอัญชลีนอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนรวมหกทิศขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในกรุงราชคฤ ทอดพระเนตรเห็นเขานอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่จึงตรัสถามว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นสิงคาละกะทูลว่าทำพระบิดาสั่งไว้ตรัสว่าในอริยวินัยไม่ได้สอนให้ไหวทิศอย่างนี้เขาทูลถามว่าแล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรจึงทรงแสดงสิงคาละกะสูตรว่าด้วยกรรมกิเลสสี่การไม่ทำความชั่ว ด, ด้วยอคติสี่อบายยมุกหก มิตรเทียมสี่มิตรแท้สี่และทิศหกเช่นทิดเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาเป็นต้นจบแล้วสิงคารกับอนบเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเฉลียาทรย์กระทำบุญแล้วมีสุขติเป็นที่ไป พุทธศาสนาสุภาษิตอุททางปาทะตลาอัมมะอะโทเวเกสมัทธกาปัจเจเวค ข, ขสุมังอสุจิงปูติคันธิกังแม่เจ้าท่านจงพิจารณาร่างกายนี้เบื้องต้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาว่าเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเน่า สิบสี่พระเทริกาเทรีพิกษุณีผู้บรรลุอนาคามิผลก่อนบวชชาสุดท้ายนางเกิดในตระกูลกษัตริย์กรุงเวสาลีคนทั้งหลายเรียกเธอว่าเทริกาเพราะมีรูปร่างล่ำสันเจริญวัยแล้วบิดามารดายกให้แก่ขันติยกุมานผู้มีชาติเสมอกันโดยตระกูลและประเทศเป็นต้น เธอบูชาสามีเหมือนเทวดาอยู่นางเกิดศรัทธาในพระาศาสนาคราที่พระาศาสดาเสด็จมากรุงเวสาลีต่อมานางได้ฟังธรรมในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเกิดชอบใจต้องการจะบันพชาจึงบอกแก่สามีว่าจากบวชสามีไม่อนุญาตแต่เพราะนางสร้างบุญบารมีมาดี กำหนดพิจารณาทำตามที่ได้ฟังมาแล้วกำหนดพิจารณารูปธรรมและอรูปธรรมประกอบวิปัสนาอยู่เนืองเนืองรรลุธรรมก่อนบวชอยู่มาวันหนึ่งเมื่อนางหุงหาอาหารอยู่ในครัวใหญ่เปลวไฟใหญ่ได้ตั้งขึ้น เปลวไฟนั้นทำให้ภาชนะเกิดเสียงเปรี้ยเปรี้ยนางเห็นดังนั้นจึงยึดสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์ใคร้ครวนความไม่เที่ยงที่ปรากฏขึ้นอย่างดียิ่งจากนั้นก็ได้พิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาขึ้นในครัวนั้นเจริญวิปัสสนาขวนขวายโดยลำดับได้บรรลุอนาคามิผลตามลำดับแห่งมาก ตั้งแต่นั้นมานางก็ไม่ได้ใช้เสื้อผ้าที่สวยงามหรือเครื่องประดับอย่างเดิมอีกเมื่อสามีถามว่าที่รักเหตุไรเดี๋ยวนี้เธอจึงไม่ใช้เสื้อผ้าที่สวยงามหรือเครื่องประดับเหมือนเมื่อก่อนนางจึงบอกว่าตนไม่ควรอยู่เป็นขรืหัดแล้วขออนุญาตบวชสามีนํานางไปสำนักของมหาปชาบดีโคตมี ด้วยบริวารใหญ่กล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าโปรดบวชให้นางนี้เถิดเหมือนวิสาขาอุบาสกนำนางธรรมธินาไปฉะนั้นครั้งนั้นพระมหาปชาบดีโคตมีให้นางบรรพชาอุปสมบทแล้วนำไปวิหารแสดงแก่พระศาสดาเพื่อทำอารมณ์ให้เห็นตามปกตินั่นเองให้แจมแจ้งแก่นาง จึงตรัสพระคาถานี้ว่าดูกนเทเรเธอจงเอาท่อนผ้าทําจีวร น, นุ่งห่มแล้วพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคาของเธอสงบแล้วเหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อในเวลาจบคาถาพระเทรีบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเพราะอินทรีแก่กล้าและเพราะพร ะ, ระสาสดาเทสนาได้ไพเราะ ครั้นได้บรรลุพระอรหันต์แล้วคาถานี้จึงได้เป็นคาถาอุทานของพระเถรีนี้ด้วยพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าโกนาคัมนะคาถานั้นมีอธิบายว่ากามราคะของพระเถรีสงบดีแล้วด้วยอนาคามิมากจึงได้พักผ่อนได้สบายเพื่อก้าวหน้าละภาวะราคะที่เหลือต่อไป เหมือนมอเอาผักดองเจือน้ำขึ้นตั้งเคี่ยวบนเตาไฟเมื่อน้ำยังมีอยู่ผักดองก็ย่อมเดือดพร่านแต่เมื่อน้ำหมดก็ย่อมสงบนิ่งชันใดกามราคะในสันดานของท่านสงบแล้วท่านจงทำกิเลส ท, ที่เหลืออยู่ให้สงบแล้วพักผ่อนเถิด สิบห้าพระมุตตาเทรีภิกษุณีผู้บรรลุพระอรหัตตอนเป็นสิกขมนาชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูขลขฤหาบดีกรุงสาวัตถีมีชื่อว่ามุตตาเพราะเป็นหญิงถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งความหลุดพ้นเวลามีอายุยี่สิบปีนางจึงบวชเป็นศิกขมนาในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมี ให้พระมหาประชาบดีโคตมีบอกกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสนาอยู่เนืองเนืองวันหนึ่งกลับจากบินทบาทปฏิบัติวัดคือกิจในการจัดสถานที่ที่ฉันแก่ภิกษุณีผู้เป็นเถรีทั้งหลายแล้วไปที่พักกลางวันนั่งในที่ลับเริ่มมณสิการวิปัสสนากรรมฐานพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันทกุดีอันมีกลิ่นหอมนั่นแหละ ทรงเปร่งพระศมีแสดงพระองค์เหมือนประทับนั่งต่อหน้าของนางสิคมนามุตตานั้นตรัสพระคถานี้ว่าดูก่อนนางมุตตาเธอจงเปื้องจิตจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายเหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับแล้วพ้นจากเครื่องเศร้าหมองฉะนั้นเธอมีจิตหลุดพ้นแล้วจงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคก้อนข้าวเถิด นางสิคมนามุตตานั้นตั้งอยู่ในพระโอวาทนั้นไม่นานนักก็บรุพระอรหัสตพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าโกนธั ญ, ญะเคยนอนให้พระพุทธเจ้าโกนธั ญ, ญะเหยียบไปบนศรีรษะตามเรื่องท่านไม่ได้เล่าถึงการขอบวชเป็นภิกษุณีซึ่งอัตถกถาแก้ว่า คำว่าสิกขมานาในที่นี้หมายถึงผู้มีสิกขาบริบูรณ์หลังบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็คงบวชเป็นภิกษุณีและท่านได้กล่าวคาถานั้นในคราวที่ท่านปรินิพานคาถานั้นมีอธิบายว่าผู้ยังมีกิเลสอยู่แล้วดํารงชีพด้วยการขอเขาท่านเรียกว่าบริโภคย่างเป็นหนี้ไม่เป็นอิสระไม่เป็นไทย ยังเหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับอยู่ส่วนผู้ไม่มีกิเลสแล้วบริโภคก้อนข้าวที่ผู้มีศรัทธาถวายชื่อว่าบริโภคอย่างเจ้าของสิบหกพระปุณณาเถรีภิกษุณีผู้บรรลุพระอรหัตตอนเป็นสิกขมนา ชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขลหบดีกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าปุนาเพราะเป็นหญิงถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมเวลามีอายุยี่สิบปีนางได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีแล้วเกิดศรัทธาขอเป็นนางสิกขมนาวันหนึ่งนางเริ่มเจริญวิปัสสนา ขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุดีทรงทราบแล้วทรงเปล่นพระรัศมีมาตรัสพระคถ า, านี้แก่นางว่าดูก่อนนางปุนาเธอจงเต็มไปด้วยธรรมทั้งหลายเหมือนพระจันทร์วันขึ้นสิบห้าข้ามเธอจงทําลายกองแห่งความมืดด้วยปัญญาอันบริบูรณ์เถิดนางสิกขมนาปุนาฟังพระคถานั้น แล้วเจริญวิปั ส, สนาได้บรรลุพระอรหันต์แล้วในบาลีอปทานเรียกท่านว่าพระนละมาลิกาเถรีเริ่มบำเพ็ญบารมีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าชาสุดท้ายออกบวชเป็นบรรพชิตบรรลุวิชาสามและคุนอื่นๆเช่นปฏิสัมพิทาเป็นต้นคาถานั้นมีอธิบายว่า จงบริบูรณ์ด้วยธรรมทั้งหลายคือโพธิปักคิยธรรมสามสิบเจ็ดประการแล้วทำลายกองโมหะหรืออวิชชาไม่ให้เหลือด้วยปัญญาที่สัพยุตในอรหัตตมรรคทากิจสิบกอย่างในอริยสัจสีให้สมบูรณ์พุทธศาสนาสุภาสิต สติสูรูปรมากามาขันธานังอติกุตนายังตังวังกามารติงพลูสิอรตีทานิสามะมังการทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นเขียงรองสับขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกามที่ท่านพูดถึง สิบเจ็ดพระติดสาเถรีภิกษุณีผู้เคยเป็นพระสนมของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะชาสุดท้ายนางเกิดในสกยาราชตระกูลกรุงกบิลพัฒ์เจริญวัยแล้วได้เป็นพระสนมของพระโพธิสัตว์สิท ธ, ธัตถะภายหลังได้ออกบวชพร้อมกับมหาประชาบดีโคตมีนอกจากเหล่านางสากิยานีห0 0รคนจะบวชแล้ว ยังมีอดีตลาวพระสนมของเจ้าชายสิทธัตถะอีกจำนวนหนึ่งด้วยเจริญวิปัสนาอยู่พระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้านางแล้วได้ตรัสพระคถาว่าดูก่อนติดสาเธอจงศึกษาในไตรสิกขาโยคะกิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายอย่าได้ครอบงำเธอเธอจงพรากจากโยคะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอสวะเที่ยวไปในโลก พระเถรีนั้นฟังคาถานั้นแล้วเจริญวิปัสนาจนบรรลุพระอรหันต์พระคาถานั้นมีอธิบายว่าเธอจงศึกษาในไตรสิกขาคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาจงเจริญสิกขาสามนี้ให้ถึงพร้อมในอรยิยมรรคซึ่งการเจริญไตรสิกขาจะช่วยไม่ให้กิเลสคือการมราคะและภวะราคะเป็นต้น เกิดขึ้นอีกต่อไปโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในสังสารวัฏทำให้สัตว์พัวพันยอยู่ในห้วงทุกข์พุทธศาสนาสุภาษิตมัตตาวันเนนะรูเปนะโสภะเคนะยะเสนาจาโยภเนนะจุปัตถตา ัญญาสมติมันยิหังวิภูเศตวาอีมังกายังสุจิตตังภาละลาปนังอัฏฐสิงวิสิตววรมหิลุโทโธปาสมิโวทิยะเราโมเมาด้วยผิวพันรูปสมบัติความสวยงามบริวารสมบัติและเป็นผู้มีจิตกระด้างอย่างยิ่งด้วยความเป็นสาวจึงดูหมิ่นหญิงอื่นได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนหญิงแพศยา ดุจนายปราเนื้อวางบวงดักเนื้อไวสิบแปดพระติสาเถรีพระธทราเถรีพระวีราเถรีพระมิตาเถรีพระพัตราเถรีพระอุปสมาเถรีพิกษุนีผู้เคยเป็นพระสนมของเจ้าชายสิทธัตถะ ชาสุดท้ายทั้งหกท่านนี้เกิดในกรุงกบิลพัสต์เจริญวัยแล้วได้เป็นพระสนมของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะออกบวชพร้อมกับพระมหาปชาบดีโคตมีวันหนึ่งขณะปฏิบัติกรรมฐานอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงแผ่พระรัศมีมาให้โอวาดแก่พวกนางว่าดูก่อนติดสาเธอจงประกอบด้วยธรรมทั้งหลายคือเจริญสมถะ และ ว, วิปัสสนาขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอไปเสียเพราะผู้ที่มีขณะล่วงเลยแล้วจะต้องเศร้าโศกแออัดกันอยู่ในนรกดูก่อนธีราเธอจงสัมผัสนิโรธอันเป็นความสงบระงับสัญญาอันเป็นสุขจงทาพระนิพพานอันกเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมให้สำเร็จเถิดดูก่อนวีราภิกษุณีผู้มีอินทรีย์ อบรมด้วยวีรธรรมทั้งหลายชนะมารพร้อมด้วยเสนามารแล้วดารงไว้ซึ่งกายที่มีในภพสุดท้ายดูก่อนมิตรตาเธอบวชแล้วด้วยศรัทธาจงยินดีในกัลยาณมิตรจงเจริญกุศลอริยมรรคเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะดูก่อนพัทราเธอบวชแล้วด้วยศรัทธา จงยินดีในธรรมที่ดีงามจงเจริญกุศลธรรมคือโพธิปักขียธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะดูก่อนอุปสมาเธอจงข้ามโอคะอันเป็นวงมารที่ข้ามได้แสนยากเธอจงชนะมารพร้อมด้วยพาหณนะดำรงไว้ซึ่งกายที่มีในภพสุดท้ายเถิดจบพระพุทธดำรัสแต่ละท่านได้บรรลุพระอรหัต เป็นพระอาหารหันต์แล้วพระคาถาเหล่านี้มีอธิบายว่าขณะได้แก่ขณะที่เกิดในถิ่นที่ดีขณะมีร่างกายสมบูรณ์และขณะมีพระพุทธศาสนาเป็นต้นการสัมผัสนิโรธคือการถึงพระนิพพานผู้มีอินทรีย์คือเจริญอินทรีย์ห้าได้แก่ศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาวีรธรรม หมายถึงธรรมอันองค์อาจกราหารคืออริยมรรคและอปะทานสี่มานได้แก่กิเลส ท, ทั้งหลายเสยนามานได้แก่วัตถุเครื่องอาศัยของกิเลสโอคะได้แก่สังสารวัฏเปรียบเหมือนห้วงน้ำสิบเก้า พระมุตตาเถรีภิกษุณีผู้พ้นจากความค้อมสามอย่างชาสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวของพรามยากจนตระกูลหนึ่งในโกศนชนบทแต่อธกถาอ้างคำพีอปทานว่านางเกิดในสกุลพรามที่มีทรัพย์อยู่แต่ในนิเวศไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามบนพื้นปฐพีเวลาจเจริญวัยแล้ว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 ร่างกายเป็นของเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปที่พวกคนขาวเพลิดเพลินกันยิ่งนัก 20. สิบพระสุมนาเถรีภิกษุณีผู้เป็นน้องของพระเจ้ามหาโกศลชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นพระภคินี น้องสาวของพระเจ้ามหาโกศลพระราชบิดาของพระเจ้าประสิทธิโกศลกรุงสาวัตถีเธอฟังธรรมที่พระาศาสดาทรงแสดงแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนมหาบอพิษบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลไม่พึงดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือหนึ่งกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์อยู่สอง งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กสามไฟไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสี่พิษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังนมเพราะว่าทั้งสี่อย่างนั้นอาจทำให้ถึงตายถึงความทุกข์ได้พระนางได้เกิดความเลื่อมใสตั้งอยู่ในสารณะและศีลห้าแม้ประสงค์จะบวชก็ต้องปล่อยให้เวลาล่วงไปนาน เพราะต้องปฏิบัติดูแลพระเจ้าญาตต่อมาเมื่อพระเจ้าญาสิ้นพระชนแล้วพระนางให้คนถือเครื่องปูราดและเครื่องนุ่งห่มที่มีค่ามากไปวิหารกับพระราชาคือพระเจ้าเปรตที่โกศลให้ถวายแก่สงแล้วฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาบรรลุานาคามิผลกราบทูลขอบวช พระศาสดาสทรงเห็นท่านมีญาณแก่กร้าได้ตรัสพระคถ า, านี้ดูก่อนสุมาณาผู้เจริญท่านจงเอาท่อนผ้าทาจีวร น, นุ่งหม่มจงพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคะของท่านสงบแล้วท่านเป็นผู้มีความเย็นดับสนิทแล้วในเวลาจบคาถาท่านได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายและบวชเป็นภิกษุณี ท่านบวชเมื่อมีอายุมากแล้วคนจึงเรียกท่านว่าวุฒบันพชิตสุมนาแปลว่าบรรพชิตผู้เจริญด้วยวัยชื่อสุมนายี่สิบเอ็ดพระธรรมาเถรีภิกษุณีผู้บรรลุ ธ, ธรรมพระความชราชาติสุดท้าย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 เป็นอารมณ์เจริญวิปัสนากำหนดในทุกทางกายจนบรรลุพระอรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายท่านได้กล่าวคาถานี้เป็นอุทานว่าเราทุพพลภาพมีกายสันเทาถือไม้เท้าเที่ยวบินทบาทได้ลม้มลงบนแผ่นดินตรงนั้นเองครั้งนั้นจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะเห็นโทษในกาย ท่านว่าพระเถรีใช้ไม้เท้าค้ำยันกายไปบินทบาทได้เกิดล้มลงเพราะเท้าไม่มีกำลังท่านจึงกำหนดโทษในกายด้วยวิปัสนาปัญญาไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนแจ้งพระอรหัตได้พุทธศาสนาสุภาษิต ัสาเมอหุสังเวโคนิสินนายะวิหารเกอามัคคะปฏิปันนำหิตันหายะวัสมาคตาอัปปังชีวิตตังไมหังชราพยาธิจะมัทธติปุรายังพิจติกายโยณเมกาโลปมัชชิตุงเมื่อเรานั้นนั่งในที่อยู่ได้เกิดความสังเวทว่า เราเดินทางผิดเสียแล้วตกอยู่ในอำนาจของตัญหาชีวิตของเราน้อยชราและพญาที่ยั่งยืนร่างกายนี้จะแตกสลายไปเสียก่อนไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาท